คนหนึ่งเมื่อทำลงไปแล้วถือว่าเป็นบาปแต่อีกคนก็อาจจะถือว่าไม่บาปก็ได้เพราะคาว่าบาปหรือไม่บาปนั้นในความหมายทั่วไปก็แปลว่าไม่ดีเช่นดินที่ไม่ดีคือไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือไม่เหมาะในอันที่จะสร้างบ้านหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็พูดว่าดินไม่ดีซึ่งคำว่าดินไม่ดีนี้ในคำภีก็เคยใช้คาว่าบาภูมิ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 ให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีขอบเขตเรารู้อยู่ว่าถ้าในใจไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความโลภไม่มีความคิดประทุษร้ายมีแต่ความเมตตาสงสารแม้กระทั่งพืชทั้งหลายย่อมจะฝึกสมาธิง่ายเราเหตุที่พระภิกษุมีความมุ่งหมายอย่างนี้การตัดต้นไม้จึงเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตในแบบของพระ ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการตัดต้นไม้เป็นบาปสำหรับพระภิกษุหมาเหตุผู้อ่านถ้าจะเทียบอีกแนวหนึ่งคำว่าบาปอาจเทียบได้กับการกระทำของเด็กเล็กเช่นเด็กทารกถ้าเอามือหยิบพ่อแม่หรือตบหน้าพ่อแม่ก็ตาม จะเห็นได้ชัดนะครับว่าจะไม่มีใครถือสาหรือเห็นว่าเป็นบาปหรือการกระทำหลายอย่างในวัยเด็กที่ถ้าผู้ใหญ่ทำก็จะกลายเป็นความผิดร้ายแรงแต่พอเด็กทำก็กลายเป็นเรื่องน่าเอ็นดูและคนที่ได้พบเห็นต่างพากันหัวเราะชอบใจและย้ำนะครับว่าในเรื่องนี้คือการตัดต้นไม้ไม่ได้หมายรวมถึงการนาพืชมากินเป็นอาหารข้อนี้ท่านมุ่งไปถึงเจตนาการทาลายชีวิตเป็นหลัก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 คือการปฏิบัติเชื่อถือแบบงมงายไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หมายเหตุเพิ่มเติมไว้ด้วยเกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าก็ในเมื่อต้นไม้มีชีวิตและกินผักจะบาปหรือไม่ซึ่งก็ต้องเข้าใจอีกแง่หนึ่งด้วยนะครับว่าการเป็นอยู่ของพระนั้นขึ้นอยู่กับคารวาะแต่เดิมนั้นท่านก็นให้บริโภคและพอใจตามปัจัยที่ชาวบ้านถวายคือเขามีเขากินอย่างไรก็กินก็ฉันไปตามที่เขาถวายมานั้น เมื่อขนาดฉันก็มองเห็นสักแต่ว่าเป็นาธาตุและตรัสสอนหลักการพิจารณานในการกินไว้ครบถ้วนแล้วซึ่งในเรื่องการกินนั้นท่านเปรียบเหมือนว่าพ่อแม่พาลูกเดินทางไกลในทางธุรา ก, กันดาลไม่สามารถหาอาหารได้และด้วยความหิวลูกน้อยจึงตายไปก่อนเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปได้พ่อแม่นั้นจึงจาเป็นต้องนาเนื้อของบุตรมากินเป็นอาหาร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 ถ้าวางจิตไว้ตรงทางอย่างที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็จะไม่เกิดบาปเกิดโทษแต่จะเป็นเครื่องอาศัยให้ได้ทำความดีได้มากขึ้นต่อไปนะครับ